มหานิบาต 1. วังคีสะเทระคาถาภาสิทของพระวังคีสะเทระพระวังคีสะเทระบวชแล้วใหม่ๆได้เห็นหญิงหลายคนล้วนแต่งตัวงดงามพากันไปวิหารก็เกิดความกำนัดยินดีเมื่อจะบรรเทาความกำนัดยินดีนั้นเรียกล่าวภาสิทเหล่านี้ว่าความตรึกกับความขนองอย่างเลวซามเหล่านี้ ย่อมเข้าครอบงำเราผู้ออกบวชเป็นบรรปชิตบุตรของคนสูงสักได้ศึกษาวิชายิงธนูคราวละมากมากมาอย่างเชี่ยวชาญยิงลูกธนูไปรอบรอบตัวโดยไม่ผิดพลาดถึงแม้หญิงจะมามากยิ่งไปกวายหญิงเหล่านี้ก็จะเบียดเบียนเราไม่ได้แน่นอนเพราะเราได้เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมเสียแล้วด้วยว่าเราได้สดับทางที่เป็นที่ให้ถึงนิพานนี้ เบื้องพระพักของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันดวงอาทิตย์ใจของเรายินดีแล้วในทางนั้นแน่นอนมารผู้ชั่วช้าถ้าท่านยังเข้ามาหาเราผู้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้เราก็จะทำทางที่เราทำไว้ให้ถึงที่สุดโดยท่านจะไม่พบเห็นได้ฉะนนั้นผู้ใดละความยินดียินร้ายและความตรึกเกี่ยวกับบ้านเรือนได้ทั้งหมดหมดตัณหาไม่มีกิเลส ไม่พึงก่อตัณหาดุดปลาในที่ไห น, ไหนผู้นั้นชื่อว่าเป็นภิกษุรูปอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้ทั้งที่อาศัยแผ่นดินอยู่ในอากาศอันนับเนื่องในภพสามล้วนไม่เที่ยงคร่ำคราไปทั้งนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้แจ้งอย่างนี้แล้วมีตนหลุดพ้นเที่ยวไปเราปุถุชนที่มีจิตหมกมุ่นในอุปธิทั้งหลายคือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะ ท่านจงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวกำจัดความพอใจในเบญจกรกรมคุณนี้เสียเพราะผู้ใดไม่ติดในเบญจกรกรมคุณนี้บัณฑิตทั้งหลายเรียผู้นั้นว่าเป็นมุนีถ้ามิฉาวิตกที่อิงอาศัยทิฏฐิ60บประการซึ่งเป็นธรรมที่ไม่ตั้งมั่นในการไหนผู้ใดไม่พึงเป็นไปในอำนาจกิเลสด้วยอำนาจมิฉาวิตกเหล่านั้นทั้งไม่ชอบกล่าวคำหยาบคาย ผู้นั้นชื่อว่าเป็นภิกษุภิกษุผู้เป็นบัณฑิตมีจิตมั่นคงมานานไม่ลวงโลกมีปัญญารักษาตนได้หมดความทะเยอทะยานเป็นมุนีได้บรรลุสันตบทย่อมหวังคอยเฉพาะเวลาที่จะปรินิพานท่านผู้เป็นสาวกของพระโคดมท่านจงละความเยื่ยยิงเสียและจงละทางแห่งความเยื่ยยิงให้หมดเพราะผู้ที่หมกมุ่นอยู่ในทางแห่งความเย่ยยิง จะต้องเดือดร้อนเป็นเวลานานมูสัสตว์ที่ยังลบหลู่คุณท่านถูกความเยื่หยิงกาจัดแล้วย่อมตกนรกเหล่าปุถุชนที่ถูกความเยื่หยิงกาจัดแล้วเกิดในนรกย่อมเศร้าโศกตลอดกาลนานบางครั้งภิกษุปฏิบัติชอบแล้วชนะกิเลสได้ด้วยมัคไม่เศร้าโศกเลยยังกลับได้เกียรติคุณและความสุข บัณฑิตทั้งหลายเรียกพิสุผู้ปฏิบัติชอบเช่นนั้นว่าเป็นผู้เห็นธรรมเพราะเหตุนั้นภิษุในพระาศาสนานี้เมื่อควรมีกิเลสเครื่องตรึงจิตห้าอย่างควรมีแต่ความเพียรชอบละนิวร์ได้แล้วเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งละความเย่อหยิ่งได้หมดสงบระงับได้แล้วทำที่สุดทุกได้ด้วยวิชาสามพระวังคีสะเถระเมื่อจะแจ้งความเป็นไปของตน แก่พระอานนทเทระจึงได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่ากระผมถูกการมราคะแผดเผาจิตของกระผมเร่าร้อนท่านผู้เป็นเชื้อสายโคตมะโคตดังกระผมจะขอโอกาสขอท่านโปรโดอนุเคราะห์ช่วยบอกเหตุที่ดับราคะให้ด้วยพระอานนทเทระได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าจิตของท่านเร้าร้อนก็เพราะความสําคัญผิด ท่านจงละทิ้งนิมิตว่างามซึ่งประกอบด้วยราคะเสียจงอบรมจิตให้มีอารมณ์เดียวให้ตั้งมั่นดีด้วยการพิจารณาเห็นว่าไม่งามจงอบรมกายคตาสติและจงเป็นผู้เบือห น, นายให้มากจงเจริญการพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงและจงละมา น, านุสัยเสียให้ได้ขาดแต่นั้นท่านจะเป็นผู้สงบเที่ยวไปเพราะละมานะได้ ระว่างคีสะเทระเกิดความสมนัตเมื่อจะชมเชยพระผู้มีพระภาคเบื้องพระพักจึงได้กล่าวพาษิทธเหล่านี้ว่าบุคคลพึงกล่าวแต่วาจาที่ไม่เป็นเหตุทําตนให้เดือดร้อนและไม่เป็นเหตุเบียดเบียนชนเหล่าอื่นวาจานั้นแหลเป็นสุภาษิตพึงกล่าวแต่วาจาที่น่ารักซึ่งเหล่าชนพากันชื่นชมไม่พึงพูดคําหยาพายต่อชนเหล่าอื่น พึงพูดแต่คำที่น่ารักคำสัตว์แลเป็นวาจาไม่ตายรมนี้เป็นของเก่าสัปปรพหุษทั้งหลายตั้งมั่นอยู่แล้วในคำสัตว์ทั้งที่เป็นอัตและเป็นธรรมพระพุทธเจ้าตรัสพระวาจาใดอันกเกษมเพื่อบรรลุนิพพานเพื่อทำที่สุดทุกข์พระวาจานั้นแหลสูงสุดกวาวาจาทั้งหลายพระวังกีสเถระเมื่อจะสรเสริญท่านพระสารีบุตรเถระ จึงได้กลาา่าวภาษิตเหล่านี้ว่าพระสารีบุตรมีปัญญาสุขุมเป็นนักปราดรู้ทางและมิใช่ทางมีปัญญามากแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายแสดงโดยย่อ ก, ก็ได้โดยพิสดารก็ได้เมื่อท่านกำลังแสดงธรรมเสียงที่เปล่งออกก็ไพเราะเหมือนเสียงนกสาลิกาทั้งปฏิพานก็ปรากฏเมื่อท่านแสดงธรรมนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายที่ฟังคาไพเราะ ก็มีจิตร่าเริงเบิกบานด้วยเสียงที่น่ายินดีน่าฟังไพเราะจับใจจึงตั้งใจฟังพระวังคีสะเทระเมื่อจะชมเชยพระศาสดาเดียกล่าภาษิทธเหล่านี้ว่าในวันสิบห้าคำซึ่งเป็นวันวิสุทธิปวารณาวันนี้มีภิกษุห้าร้อยรูปมาประชุมกันล้วนเป็นผู้ตัดกิเลสเครื่องผูกเคอสังโย ด, ดขาดไม่มีทุกข์สิ้นภพสิ้นชาติแล้ว เป็นผู้สแสวงหาคุณธรรมอันประเสริฐพระเจ้าจั ก, กรพรรดิมีหมู่อมาศแวดล้อมเสด็จเรียบแผ่นดินอันไพศาลมีมหาสมุทรสาครเป็นขอบเขตนี้ชั้นใดสาวกทั้งหลายผู้ได้วิชาสามและมัจุราชได้พากันแวดล้อมพระผู้มีพระภาคผู้ทรงชนะสงครามทรงนำหมู่เป็นผู้ยอดเยี่ยมก็ฉันนั้น พระสาวกทั้งมวลล้วนแต่เป็นพุทธชิโนรสและในสาวกเหล่านี้ไม่มีความว่างเปล่าจากคุณธรรมเลยข้าพระองค์พึงถวายบังคมพระองค์ผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งดวงอาทิตย์ซึ่งทรงทำลายลูกศรเคอตันหาได้แล้วภิกษุกว่าพันรูปเข้าไปเฝ้าพระสุคตซึ่งกำลังทรงแสดงธรรมที่ปราศจากกิเลสดุรุลีคือนิพพานซึ่งหาภัยแต่ที่ไหนมิได้ ภิกษุเหล่านั้นก็พากันฟังธรรมอันไพยบูร์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีหมู่ภิกษุแวดล้อมย่อมทรงงดงามหนอพระผู้มีประภาสทรงพระนามว่านาคะทรงเป็นพระเรือศรีผู้สูงสุดกว่าบรรดาเรือรีทั้งหลายทรงปโปรยฝนอมตะธรรมให้ตกรดเหล่าพระสาวกคลายฝนหาใหญ่ ข้าแต่พระมหาวีระเจ้าพระวังคีสะสาวกของพระองค์ประสงค์จะเฝ้าพระศาสดาจึงออกจากที่พักกลางวันมาถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสพระพุทธภาษิตเหล่านี้ว่าพระวังคีสะครอบงำทางเป็นที่เกิดขึ้นแห่งกิเลสมารทำลายกิเลสเครื่องตึงใจห้าอย่างมีราคะเป็นต้นอยู่เธอทั้งหลายจงดูวังคีสสะ ผู้ทำการปลดเรื่องกิเลสเป็นเครื่องผูกผู้อันตันหามานะและทิฐิอิงอาศัยไม่ได้ผู้จำแนกทําเป็นส่วนส่วนได้นั้นความจริงพระวังคีสะได้บอกทางไว้หลายอย่างเพื่อถอนโอฆกิเลสและเมื่อพระวังคีสะนั้นบอกทางอมตะนั้นไว้แล้วภิกษุทั้งหลายที่เห็นธรรมก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวพระวังคีสะนั้นผู้ทำแสงสว่างให้เกิด รู้แจ่มแจ้งได้เห็นนิพพานเป็นเหตุล่วงพ้นวิญญาณถิติได้ทั้งหมดครันรู้และทำให้แจ้งจึงได้แสดงธรรมอันเลิกแก่ภิกษุผู้เดินทางไกลสิบรูปเมื่อท่านแสดงธรรมไว้ดีอย่างนี้ท่านผู้รู้แจ้งธรรมทั้งหลายจะมีความประมาทได้อย่างไรเพราะเหตุนั้นแหลภิกษุผู้ไม่ประมาทในคำสอนของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น พึงตั้งใจศึกษาสิกขาสามทุกเมื่อพระวังคีสะเทระหวังจะชมเชยพระอัญยาโกลธัญะเทระจึงเรียกลาวพาสิทธเหล่านี้ว่าพระอัญยาโกลธัญะเทระผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าได้มีความบากบั่นอย่างแรงกล้าได้วิเวกซึ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขเป็นประจำเป็นผู้ไม่ประมาทศึกษาอยู่ ได้บรรลุสิ่งที่พระสาวกผู้ทำตามคำสอนของพระาศาสดาจะพึงบรรลุได้ทุกรูปพระอัญญาโคนทัญญาเถระมีอนุภาพมากได้บรรลุวิชาสามฉลาดในการกำหนดรู้จิตของผู้อื่นเป็นพุทธทาญาตมาถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระาศาสดาอยู่พระวังคีสะเถระหวังจะชมเชยพระผู้มีพระภาคและพระอรหันตาสาวก จึงเดียกลาา่าวภาษิตเหล่านี้ว่าพระสาวกทั้งหลายผู้ได้บรรลุวิชาสามและมัจจุราชได้พากันแวดล้อมพระมหามุนีผู้ถึงฝั่งแห่งทุกข์ประทับนั่งที่ข้างภูเขาพระมหาโมคลานะผู้มีฤทธิ์มากพิจารณากําหนดรู้จิตที่หลุดพ้นไม่มีอุปธิของพระขีณาศพเหล่านั้นได้ด้วยจิตพระสาวกเหล่านั้นพากันแวดล้อมพระมหามุนีโคดม ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยสมบัติทุกประการทรงถึงฝั่งแห่งทุกเพี่พร้อมด้วยพระคุณมากอย่างพระวังคีสะเทระหวังจะชมเชยพระผู้มีพระภาคจึงเดียกล่าวภาษตนี้ว่าข้าแต่พระมหามุนีอังคีรสพระองค์ไพโรดล่วงโลกทั้งหมดด้วยพระยะ์เหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่ปราศจากมวลทินสว่างแจ้าอยู่บนท้องฟ้าที่ปราศจากเมฆหมอก พระวังคีสาเทระเมื่อจะประกาศคุณของพระาศาสดาและของตนจึงได้กลาา่าวภาษิตเหล่านี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นผู้อนนักประาดเคารพนับถือเที่ยวไปจากหมู่บ้านไปยังหมู่บ้านจากเมืองไปยังเมืองจึงได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงพระองค์ผู้เป็นพระมหามุนีทรงถึงฝั่งแห่งทุกได้ทรงแสดงธรรมโปรดเรา เราฟังธรรมแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัท ธ, ธาเราได้ฟังพระดำรัดของพระพุทธองค์แล้วรู้ชัดถึงขันธ์อายตนะและธาตุจึงได้ออกบวชเป็นบนรรพชิตพระตถาคตทั้งหลายทรงอุบัติเพื่อประโยชน์แก่สตรีและบุรุษผู้ทำตามคำสอนเป็นจำนวนมากเนาะพระมหามุนีได้บรรลุพระโพธิญาณเพื่อประโยชน์แก่เราภิกษุและภิกษุณีผู้ได้เห็นธรรม ซึ่งเป็นทางออกจากทุกน้อแลพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งดวงอาทิตย์ทรงมีพระจักษุทรงอนุเคราะห์ต่อหมูสัตว์ได้ทรงแสดงอริยสัจว์4คือหนึ่งทุกสองเหตุให้เกิดทุกข์ 3. ความดับทุกข์ 4. อริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขเราได้เห็นทำเหล่านั้นเหมือนอย่างที่พระาศาสดาตรัสไวตามความเป็นจริงอย่างนี้ เราได้บรรลุประโยชน์ตนแล้วได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วการที่เราได้มาสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการดีหนอสำหรับเราเพราะเราได้บรรลุธรรมที่ประเสริฐสุดบรรดาธรรมที่พระองค์ทรงจำแนกไว้ดีแล้วเราได้มาถึงฝั่งแห่งอภิญญาชำระโสตธาตุให้หมดจดได้วิชาสามบรรลุฤทธิ์ฉลาดในการกาหนดรู้จิตของผู้อื่น พระวังคีสะเทระในคราวที่พระอุปชาของท่านปรินิพานด้วยกล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าข้าพระองค์ขอทูลถามพระบรมศาสดาผู้มีพระปัญญามากว่าภิกษุใดมีชื่อเสียงเรืองยศตัดความสงสัยดับกิเลสเสียได้ในปัจจุบันชาตินี้แหละได้ปรินิพานที่อัครละเจดีวิหารข้าแต่พระผู้มีพระภาค ภิกษุนั้นเห็นธรรมคือนิพพานอันมั่นคงเป็นพราหมณ์แต่กำเนิดมีนามที่พระองค์ทรงประทานให้ว่านิโครทะทกัปปะผู้มุ่งแต่ความหลุดพ้นปรารบความเพียรยังกราบไหว้ท่านอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเจ้าสักยะซึ่งมีพระจักสุรอบคอบแม้ข้าพระองค์ทุกรูปปรารถนาจะทราบถึงพระสาวกรูปนั้น ข้าพระองค์ทั้งหลายพร้อมที่จะเงี่ยโสดลงฟังพระองค์มิใช่หรือเป็นศาสดาพระองค์เป็นผู้ยอดเยี่ยมข้าแต่พระองค์ผู้มีพระปัญญาดุดแผ่นดินขอพระองค์โปรดตัดความเคลือบแคลงสงสัยของข้าพระองค์ทั้งหลายโปรดตรัสบอกพระนิโคระทักกับปะเทระผู้ปรินิพานแล้วนั้นให้ข้าพระองค์ทราบด้วยเถิดข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักษุรอบคอบ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 มีพระคุณยิ่งกว่านรชนทั้งหลายนี้แลย่อมหมดไปถ้าพระผู้มีพระภาคจะเป็นบุรุษแต่เพียงกำเนิดก็จะไม่พึงทรงทำลายกิเลสได้เหมือนลมพัดทาลายก้อนเมฆหมอกที่หนาทึบไม่ได้โลกทั้งมวลที่มือดอยู่แล้วก็ยิ่งจะมืดหนักลงพระสาวกทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นที่รุ่งเรืองอยู่บ้างก็จะไม่พึงรุ่งเรืองนะัก นักปราทั้งหลายเป็นผู้ทําแสงสว่างให้เกิดข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระปีชายานเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์เข้าใจพระองค์ว่าทรงทําแสงสว่างให้เกิดเป็นแม่นมั่นข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ว่าพระองค์ทรงเห็นธรรมทั้งปวงได้อย่างแจ่มแจ้งจึงได้พากันมาเฝ้าขอพระองค์โปรดประกาศพระนิโครทะกับปะเถระแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในบริษัทด้วยเถิด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 จะแสดงบอกบาป ร, รมซึ่งเป็นตัวกำจัดเพราะบรรดาปุถุชนและเสขาุคคลเป็นต้นผู้ที่ทำได้ตามความพอใจตนไม่มีเหมือนคนที่ไตร่ตรองพิจารณาตามพระตถาคตเท่านั้นสามารถที่จะรู้หรือกล่าวธรมอย่างที่ตัวต้องการได้พระดำรัสของพระองค์นี้มีวยยกรสมบูรณ์พระองค์ทรงมีพระปัญญาตรงไปตรงมาตรัสไว้อย่างถูกต้อง ข้าพระองค์ก็เรียนมาดีแล้วการถวายบังคมที่ข้าพระองค์ถวายอย่างนอบน้อมนี้เป็นครั้งสุดท้ายข้าแต่พระองค์ผู้มีพระปัญญามากพระองค์ทรงทราบกติของพระนิโครธทะกับปะเทระได้ไม่ยังข้าพระองค์ให้หลงข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมากพระองค์ทรงตรัสรู้อริยธรรมทั้งที่เป็นโลกุตระและโลกยะ ทรงทราบเยอะยธรรมทั้งหมดได้ไม่ยังค่าพระองค์ให้หลงค่าพระองค์หวังพระดํารัสของพระองค์เป็นอย่างยิ่งเหมือนคนถูกความร้อนแผดเผาในฤดูร้อนก็ต้องการน้าเป็นอย่างยิ่งขอพระองค์ทรงยังฝนคือพระธรรมเทศนาที่ข่าพระองค์ฟังมาแล้วให้ตกลงเถิดพระนิโคระทะกับปะเถระได้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อประโยชน์ใด ประโยชน์ของท่านนั้นไม่สูญเปล่าหรือท่านนิพพานด้วยสอุปาทิเสสะนิพพานหรือนิพพานด้วยอนุปาทีเสสนิพพานธาตุข้าพระองค์ทั้งหลายขอฟังเรื่องนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพระนิโครทะกัปเทระนั้นได้ตัดขาดตัณหาในนามรูปนี้ทั้งตัดกระแสะแห่งธรรมไฟดำซึ่งนอนเนื่องอยู่ในสันดานมาช้านาน ข้ามพ้นชาติมรณะได้อย่างสิ้นเชิงพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐด้วยพระธรรมห้าประการได้ตรัสไว้ดังนี้พระวังคีสเถระปราบทูลด้วยภาษิตเหล่านี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นพุทธข้าพระองค์นี้ฟังพระดำรัสของพระองค์แล้วย่อมเลื่อมใสทราบว่าเรื่องที่ข้าพระองค์ทูลถามแล้วไม่ไรประโยชน์ พระองค์เป็นพุทธเจ้าไม่ทรงลวงข่าพระองค์แน่นอนสาวกของพระพุทธองค์พูดอย่างใดก็ทำอย่างนั้นได้ตัดข่ายคือตันหาที่แผ่กว้างทั้งมั่นคงของพญามารเจ้าเล่ได้ขาดพระผู้มีพระภาคสมควรที่จะตรัสว่าท่านนิโคระทะกับปะเถระได้เห็นมูลเหตุแห่งอุปาทานล่วงพ้นบ่วงมั จ, จุราชที่ข้ามได้แสนยากแล้วพระวังคีสะเถระ เมื่อจะประกาศความเลื่อมใสจึงเดียกกล่าวภาษีสุดท้ายว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้สูงสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ข้าพระองค์ขอกราบไหว้ท่านพระนิโครธทะกัปะเทระผู้เป็นวิสุทธิเทพเป็นอนุชาตบุตรมีความเพียรมากเป็นผู้ประเสริฐทั้งเป็นโอรสของพระองค์ผู้ประเสริฐนั้นทราบว่าท่านพระวังคีสะเทระ ได้กล่าวพาษิทิ์ทั้งหลายไว้ด้วยประการั น, นี้แลมหานิบาทจบรวมเรื่องพระเทระที่มีในนิบาทนี้คือในสัตตินิบาทมหานิบาตนี้พระวังคีสะเทระผู้แตกช้านรูปเดียวเท่านั้นไม่มีพระเทระรูปอื่นและมีเจ็พาษิทธชั้นนี้แลเทระคาถาจบสรุปความเทระคถทานี้ พระเทระ264รูปผู้เป็นพุทธบุตรไม่มีอาสวะบรรลุนิพพานอันเป็นแดนเกษมพากันบรรเลสีหนาฏประกาศพาสิทธไว้รวม1360พามสิตพิแล้วก็พากันนิพพานเหมือนกองไฟหมดเชื้อแล้วดับไปชั น, นี้แหลเทระคาถาจบ พรสุตันตปิฎกคุตกนิกายเทรีคาถาขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. เอกนิบาตหนึ่งอัญญตราเทรีคาถาภาษิตของพระอัญญตราเทรีทราบว่าพระเทรีรูปหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏชื่อเดียกล่าภาษิตนี้ว่า พระเถรีท่านจงใช้ท่อนผ้าทำจีวอนนุ่งหม่มแล้วพักผ่อนตามสบายเถิดเพราะราคะของท่านสงบแล้วเหมือนผักดองแห้งอยู่ในหม้อสมุตตาเถรีคาถาภาษิตของพระมุตตาเถรีพระมุตตาเถรีรับพระพุทธโอวาทแล้วด้วยกล่าวภาษินี้ว่ามุตตาเธอจงพ้นไปจากโยคะกิเลสทั้งหลาย เหมือนดวงจันทร์พ้นจากถูกราหูจับเธอจงมีจิตหลุดพ้นแล้วบริโภคก้อนข้าวยังไม่มีหนี้เถิด 3. ปุณณาเทรีคาถาภาษิตของพระปุณณาเทรีพระปุณณาเทรีรับพระพุทธโอวาทแล้วเดือกล่าภาษิตนี้ว่าปุณณาเธอจงยังทาทั้งหลายให้บริบูรณ์เหมือนดวงจันทร์วันเพน จงทำลายกองแห่งความมืดด้วยปัญญาที่บริบูรณ์ 4. ติสาเทรีคาถาภาษิตของพระติสาเทรีพระติสาเทรีรับพระพุทธโอวาทแล้วเด็กกล่าวภาษิตนี้ว่าติสาเธอจงศึกษาในไตรสิกขาโยคากิเลส ท, ทั้งหลายอย่าได้ครอบงำเธอเลยเธอจงพรากจากกิเลสโยคะทั้งหมด ท่องเที่ยวไปในโลกยังไม่มีอาสวะเถิด 5. อัญญตราติสาเถเรคาถาภาษิตของพระติสาเทรรอีกรูปหนึ่งพระติสาเทรรอีกรูปหนึ่งรับพระพุทธโอวาทแล้วเดียกล่าวภาษิตนี้ว่าติสาเธอจงประกอบธรรมทั้งหลายเถิดขณะอย่าได้ล่วงเลยเธอไปเพราะผู้ที่มีขณะล่วงเลยไปแล้ว จะต้องเศร้าโศกแออัดกันอยู่ในนรก 6. ทีราเทรีคถาพาษิตของพระทีราเทรีพระทีราเทรีรับพระพุทธโอวาทแล้วเลือกกล่าวพาสิทนี้ว่าทีราเธอจงสัมผัสนิโรธซึ่งเป็นความสงบระ ง, งับสัญญาอันเป็นสุขจงยินดีนิพพานที่ยอดเยี่ยมซึ่งปลอดโปร่งโยคะกิเลเธอร์เจ็ด ัญญตราทีราเถรีคาถาภาษิตของพระธีราเถรีอีกรูปหนึ่งพระธีราเถรีอีกรูปหนึ่งรับพระพุทธโอวาทแล้วได้กล่าวภาษิตนี้ว่าทีราภิกษุณีผู้อบรมอินทรีย์แล้วด้วยธรรมทั้งหลายที่ทรงไว้ย่อมชนะมารพร้อมทั้งเสนามารแล้วดำรงไว้ซึ่งกายที่มีเนพบสุดท้าย 8. มิตรเถรีคาถา ภาษิตของพระมิตราเถรีพระมิตราเถรีรับพระพุทธโอวาทแล้วเรื่องเล่าวภาษิตนี้ว่ามิตราเธอบวชแล้วด้วยศรัทธาจงยินดีในกัลยาณมิตรเจริญกุศลธรรมเพื่อบรรลุธรรมที่ปลอดโปร่งจากโยคะกิเลสเถิด 9. พัะทราเทรีคาถาภาษิตของพระพัะทราเถรี พระพัทราเถรีรับพระพุทธโอวาทแล้วได้กล่าวภาสิทนี้ว่าพัทราเธอบวชแล้วด้วยศรัทธาจงยินดีในธรรมที่ดีงามเจริญกุศลธรรมเพื่อบรรลุธรรมที่ยอดเยี่ยมซึ่งปล่อโปรงจากโยคะกิเลเถิด 10. อุปสมาเทเรคาถาภาสิทของพระอุปสมาเถรีพระอุปัสมาเถรีรับพระพุทธโอวาทแล้ว เรียกล่าวภาสิทนี้ว่าอุปสมาเธอพึงข้ามโอคะซึ่งเป็นบ่วงมารที่ข้ามได้แสนยากจงชนะมารพร้อมทั้งเสนามารดำรงไว้ซึ่งกายที่มีในพพสุดท้ายเถิด1ิบเอ็ดมุตตาเถรีคาถาภาสิทของพระมุตตาเถรีพระมุตตาเถรีรับพระพุทธโอวาทแล้วเรียกกล่าวพาสิทนี้ว่าเราเป็นผู้พ้นด้วยดี พ้นโดยชอบด้วยความพ้นจากความข่มสามอย่างคือหนึ่งมเพราะครกสองขอมพระศาก 3. ิ์สามมพระสามีเป็นผู้พ้นจากความเกิดและความตายถอนตัณหาที่นำไปสู่พบได้แล้ว 12. ธรรมทินนาเทเรคาถาภาษิตของพระธรรมทินนาเทรี พระธรรมตินาเทรีรับพระพุทธโอวาทแล้วได้กล่าวภาษินี้ว่าผู้ที่เกิดฉันทะมีอัตภาพสุดท้ายก็พึงสัมผัสนิพานด้วยใจมีจิตไม่ปฏิพัทธ์เนกามทั้งหลายบัณฑิตเรียกว่าผู้มีกระแสในเบื้องบน 13. วิสาขาเทเรีคาถาภาษิตของพระวิสาขาเทรี พระวิสาขาเทรีรับพระพุทธโอวาทแล้วเรืกล่าวภาษีนี้ว่าท่านทั้งหลายจงทำตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่บุคคลทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังจงรีบล้างเท้าทั้งสองแล้วนั่งณที่อันสมควรเถิด 14. สุมาาเทรีคาถาภาษ์ของพระสุมนาเทรีพระสุมนาเทรีรับพระพุทธโอวาทแล้ว เลืกล่าวภาสิทนี้ว่าเธอพิจารณาเห็นท่าทั้งหลายว่าเป็นทุกข์แล้วอย่ามาเกิดอีกคลายความพอใจในภพแล้วจะเป็นผู้สงบประ ง, งับท่องเที่ยวไป 15. อุตตราเถรีคาถาภาษิตของพระอุตราเถรีพระอุตตราเถรีรับพระพุทธโอวาทแล้วเลือกล่าวภาสิทนี้ว่าเราเป็นผู้สำรวมกายวาจาและใจ ถอนตันหาพร้อมทั้งมวลรากได้แล้วเป็นผู้เย็นดับสนิทแล้ว 16. วุทธปปัจจิตะสุมนาเทรีคถาภาษิตของพระสุมาาเทรีผู้บวชเมื่อแก่พระวุทธปปชิตะสุมาณาเทรีรับพระพุทธโอวาทแล้วเรียกล่าวภาษิตนี้ว่าสุมนาผู้เท่าเธอจงใช้ท่อนผ้าทําจีวร น, นุ่งห่มแล้วพักผ่อนตามสบายเถิด เพราะเธอมีราคาสงบระ ง, งับแล้วเป็นผู้เย็นดับสนิทแล้ว 17. ธรรมาเถรีคาถาภาษิตของพระธรรมาเถรีพระธรมมาเถรีรับพระพุทธโอวาทแล้วได้ยกล่าวภาษินี้ว่าเราทุกพลภาพมีกายสันเท่าถือไม้เท้าเที่ยวบินทบาดได้ล้มลงบนแผ่นดินตรงนั้นเองคราวนั้นจิตของเราหลุดพ้นแล้ว เพราะเห็นโทษในกาย 18. สังคาเถรีคาถาภาษิตของพระสังคาเถรีพระสังคาเถรีรับพระพุทธโอวาทแล้วเรียกล่าวภาสิตนี้ว่าเราละเรือนบุตรและสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นที่รักโบสถ์แล้วและราคะโทสะและคลายอวิชชาเสียถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากได้แล้วเป็นผู้สงบระ ง, งับดับสนิทแล้ว เอกนิบาตจบ 2. ทุกกนิบาตหนึ่งอภิรูปนันทาเทเรคาถาภาษิตของพระนันทาเทรีทราบว่า พระผู้มีพระภาคตรัสสอนนันทาสิกมานาผู้ยินดีในรูปที่สวยงามเนืองเนืองด้วยพระคาถาเหล่านี้ภายหลังพระเทรีบรรลุอรหัตผลแล้วได้กลาา่าวภาษิดนี้ว่านันทาเธอจงพิจารณาดูกายซึ่งกระสับกระสายไม่สะอาดเป็นของเปื่อยเน่าจงอบรมจิตให้ตั้งมั่นดีมีอารมณ์เดียวด้วยอสุภภาวนาเถิด และจงอบรมอนิมิตะวิโมกและเสียซึ่งอนุสัยคือมานะเพราะละมานะได้แต่นั้นเธอจะอยู่อย่างสงบ 2. เชนตาเทรีคถาภาษิตของพระเชนตาเทรีทราบว่าพระเชนตาเทรีได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าโพชงเจตประการเป็นทางบรรลุนิพพานนี้เราจเจริญแล้วทั้งหมด ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เพราะเราได้เห็นพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นแล้วร่างกายนี้เป็นร่างกายที่มีในภพสุดท้ายชาติสงสารสิ้นแล้วบัดนี้ไม่มีการเกิดอีก 3. สุมังคละมาตาเทรีคาถาภาษิตของพระสุมังคละมาตาเถรีพระสุมังคละมาตาเถรีเรียกล่าวภาษิตเหล่านี้ว่า เราพ้นดีแล้วในการพ้นดีแล้วเป็นผู้พ้นแล้วโดยชอบจากากจากสามีของเราผู้ไม่มีหิริจากร่มจากหม้อข้าวและจากงูน้ำเรากำลังตัดราคะและโทสะอาศัยโคนไม้เข้าฌานอยู่โดยความสุขว่าสุขหนอ 4. อัธกาสีเทรีคาถาภาษิตของพระอัตกาสีเทรี พระอัฏฐกาสีเถรีได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าสวยของเรามีประมาณเท่าสวยในกาศีชนบทชาวนิคมกำหนดราคาแคว้งกาศีนั้นไว้แล้วจึงตั้งราคาเราไว้ครึ่งหนึ่งภายหลังเราเบื่อนายในรูปและเมื่อเบื่อนายจึงคลายความกำหนัดเราอย่าพึงเล่นไปสู่ชาติสงสารบ่อยๆ อ, อีกเลยเราบรรลุวิชาสาม ได้ทำตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหจิตตาเทรรคาถาภาษิตของพระจิตตาเทรรพระจิตตาเทเรได้กลาา่าวภาษิตเหล่านี้ว่าเราเป็นผู้มีร่างกายภายพรมเป็นไข้อ่อนเพลียมากต้องเดินถือไม่เท้าไปไหนไนก็จริงนะถึงอย่างนั้นก็ยังขึ้นภูเขาได้เราเก็บผ้าสังคาติและคว่ำบาทแล้ว ข่มตนทำลายกองความมืดได้แล้วบนภูเขา 6. เมติกาเถรีคาถาภาษิตของพระเมติกาเถรีพระเมติกาเถรีเดียกลาวภาษิตเหล่านี้ว่าเราประสบทุกข์เสื่อมกำลังผ่านวัยสาวไปแล้วต้องเดินเท้าไปไหนๆก็จริงนะถึงอย่างนั้นก็ยังขึ้นภูเขาได้ เราเก็บผ้าสังฆาติและความบาดแล้วนั่งบนภูเขาครั้งนั้นจิตของเราหลุดพ้นแล้วเราได้บรรลุวิชาสามได้ทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว 7. มิตราเทเรคาถาภาษิตของพระมิตราเถรีพระมิตราเถเรเรีเยกล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าเรายินดีเพลิดเพลิเพลนเทพนิกายจึงเข้าจําอุโบสถซึ่งประกอบด้วยองค์8ด ตลอดวัน14่ข้ามสห้าข้า8แข้าแห่งปักและตลอดปฏิหารยปักเราเมื่อปราถนาหมู่เทพจึงได้เข้าจำอุโบสถวันนี้เรานั้นชั้นอาหารมื้อเดียวปลงผมผ่มผ้าสังคาติบวดแล้วไม่พึงปราถนาเทพนิกายกำจัดความกระวนกระวัยในใจเสียได้ 8. อภยยะมาตุเถริขา ภาสิตของพระอภยมาตุเถรีพระอภิยมาตุเถรีเดีกกล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าแม่เจ้าท่านจงพิจารณาร่างกายนี้เบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องล่างตั้งแต่ปลายผมลงมาว่าเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเน่าเราพิจารณาอยู่อย่างนี้จึงทอนราคาทั้งปวงได้ตัดความเร่าร้อนได้ขาด เป็นผู้เย็นดับสนิทแล้ว 9. อภยยาเทรีคถาภาษิตของพระอภยยาเทรีพระอภยยาเทรีเรี ย, ยกลาภาษิตเหล่านี้ว่าอภยยากายซึ่งปุุชนทั้งหลายข้องอยู่มีสภาวะที่จะต้องแตกไปเราจะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่เฉพาะหน้าและทิ้งกายนิเสียเราถูกทุกมากมายกระทบแล้ว จึงยินดีในความไม่ประมาทบรรลุความสิ้นตัณหาได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสิ์สามาเทรีคาถาภาษิตของพระสามาเทรีพระสามาเทรีเรียกล่าวภาษิตนี้ว่าเราบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้จึงไม่ได้ความสงบใจต้องเข้าออกจากที่อยู่ถึงสี่ถึงห้าครั้ง ตั้งแต่ได้รับโอวาทของพระอานนทเทระแล้วในคืนที่8เรานั้นจึงถอนตันหาได้เราถูกทุกมากมายกระทบแล้วจึงยินดีในความไม่ประมาทบรรลุความสิ้นตันหาได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทุกการนิบาทจบ 3. ติฆะนิบาตหนึ่งอัปปราสามาเทรีคาถาภาษิตของพระอัปปราสามาเทรีพระอัปปราสามาเทรีได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าตั้งแต่เราบวชมาแล้ว2 5่สิบหาพันยังไม่รู้สึกว่าได้ความสงบจิตในการไหนๆเลยเราบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้จึงไม่ได้ความสงบจิตเพราะเหตุนั้น เรามาระ ล, ลึกถึงคำสอนของพระชินเจ้าจึงได้ถึงความสังเวชถูกทุกมากมายกระทบแล้วจึงยินดีในความไม่ประมาทบรรลุความสิ้นตันหาได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ววันนี้เป็นคืนที่เจนับแต่วันที่เราทำตันหาให้แห้งสนิทแล้ว 2. อุตมะเทรีคาถาภาษิตของพระอุตมะเถรี พระอุตมาเถรีได้กล่าวภาษตนี้ว่าเราบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้จึงไม่ได้ความสงบจิตต้องเข้าออกจากที่อยู่ถึง4ถึงหครั้งได้เข้าไปหาภิกษุณีผู้มีวาจาที่เชื่อถือได้ท่านได้แสดงธรรมคือขันธ์อายตนะและธาตุแก่เราเราฟังธรรมของท่านแล้วได้ปฏิบัติตามที่ท่านพร่ำสอนอิ่มเ อ, อิบด้วยสุขที่เกิดแต่ปีติ นั่งขัดสมาธิท่าเดียวตลอดเจวันในวันที่8ทำลายกองความมืดได้แล้วจึงเหยียดเท้าออก 3. อัอปราอุตมะเถรีคาถาภาษิตของพระอปราอุตมะเถรีพระอปราอุตมะเถรีเรียกลาภาษิตเหล่านี้ว่าโพชงเจ็ประการเป็นทางบรรลุนิพพานนี้เราจเจริญแล้วทั้งหมดตามที่พระ เ, เจ้าทรงแสดงไว้ ได้สุญญตะตสมาบัตและอนิมิตตสมาบัติเป็นประจำตามปรารถนาเราเป็นที่ดาซึ่งเกิดแต่พระอุระของพระพุทธเจ้ายินดีแล้วในนิพพานทุกเมือ่อกามทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์เราก็ตัดขาดแล้วการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นไปแล้วบัตนี้ไม่มีการเกิดอีก 4. ทันติกาเถริคาถา พาสิตของพระทันติกาเทรีพระทันติกาเทรีเดียกล่าวพาสิทธ์เหล่านี้ว่าเราออกจากที่พักกลางวันบนภูเขาคิจกูดได้เห็นช้างลงสู่แม่น้าแล้วขึ้นที่ฝั่งแม่น้าจันทภาคานควานช้างถือขอแล้วร้องบอกว่าจงเหยียดเท้าออกช้างเหยียดเท้าออกแล้วในควานช้างจึงขึ้นขี่ช้าง เราเห็นช้างที่ไม่เคยได้รับการฝึกครั้นได้รับการฝึกแล้วตกอยู่ในอำนาจของมนุษย์ทั้งหลายภายหลังแต่ได้เห็นช้างนั้นเราจึงเข้าป่าทำจิตให้เป็นสมาธิเพราะกริยาของช้างนั้นเป็นเหตุ 5. อุพิริเทรีคาถาภาษิตของพระอุพิรีเทรีพระศาสดาประทับนั่งในพระคันทกูดี แสดงพระองค์แก่พระอุพิรีเทรีได้ตรัสพุทธภาษินี้ว่าอุพิรีเธอคร่ำครวญอยู่ในป่าว่าลูกชีวาเอย๋ยดังนี้เธอจงรู้สึกตนก่อนเถิดบรรดาทิดาของเธอที่มีชื่อเหมือนกันว่าชีวาถูกเผาอยู่ในป่าชา น, นี้ทั้งหมดถึงแปดมืนสี่พันคนเธอเศร้าโศกถึงทิดาคนไหน พระอุพิรีเทรีบรรลุพระอรหัสต์แล้วเมื่อจะกราบทูลเรียกลาวพาษิทธเหล่านี้ว่าลูกสอนคือความโศกที่เห็นได้ยากซึ่งเสียบที่หาไทยหม่อมฉันหม่อมฉันถอนขึ้นได้แล้วเพราะพระองค์ได้ทรงช่วยบรรเทาความโศกถึงที่ดาของหม่อมฉันซึ่งถูกความโศกครอบงำวันนี้หม่อมฉันนั้นถอนลูกศอนคือความโศกขึ้นได้แล้วหมดความอยากดับรอบแล้ว ได้ถือมุนีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก 6. สุกกาเทรีคาถาภาษิตของพระสุกกาเทรีพระสุกกาเทรีได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าพวกมนุษย์เมืองราชเครือเหล่านี้ทำอะไรกันโมเดิมน้้ำพึ่งดิดนิ้วมืออยู่ไม่เข้าไปหาพระสุกกาเทรีผู้กำลังแสดงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เล่า ส่วนพวกคนที่มีปัญญาเข้าใจเดิมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นซึ่งเป็นธรรมไม่นำกลับหลังทำผู้ฟังให้ชุ่มชื่นมีโอชะดูดบุคคลเดินทางไกลดื่มน้ำฝนพระสุกาเถรีมีธรรมบริสุทธิ์ปราศจากราคะมีจิตตั้งมั่นชนะมารพร้อมทั้งเสนามานยังทรงร่างกายที่มีในภพสุดท้ายอยู่ 7. เสลาเทรีคาถาภาษิตของพระเสลาเถรีมานกล่าวกับพระเสลาเถรีว่านิพพานเป็นที่สลัดออกไม่มีในโลกท่านจะทำประโยชน์อะไรด้วยวิเวกเล่าเชิญท่านบริโภคความยินดีในการมทั้งหลายเถิดอย่าได้เป็นผู้มีความเดือดร้อนในภายหลังเลยพระเสลาเทรีโต้อตอบมาด้วยภาษิตเหล่านี้ว่าการมทั้งหลายเปรียบด้วยหอกและเหลา เป็นเขียงรองสับขันทั้งหลายบัดนี้เราไม่มีความยินดีในการที่ท่านพูดถึงเรากำจัดความเพลิดเพลินในกามทั้งปวงได้แล้วทำลายกองแห่งความมืดได้แล้วมานผู้ชั่วช้าเลวซามท่านจงรู้อย่างนี้ท่านถูกเรากำจัดแล้ว 8. โสมาเทรีคาถาภาษิตของพระโสมาเทรีมานกล่าวกับพระโสมาเทรีว่า ฐานะใดอันประเสริฐอย่างยิ่งคือพระอรหันตซึ่งเรสีทั้งหลายพึงบรรลุอันบุคคลเหล่าเอินให้สำเร็จได้ยากท่านเป็นหญิงมีปัญญาแค่สองนิ้วไม่สามารถจะบรรลุฐานะอันนั้นได้พระโสมมาเทรีโต้อตอบมานด้วยภาษิตเหล่านี้ว่าเมื่อจิตตั้งมั่นดีเมื่อยานเป็นไปอยู่เมื่อเห็นแจ้งธรรมโดยชอบความเป็นหญิงจะทาอะไรเราได้ เรากำจัดความเพลิดเพลินในกามทั้งปวงได้แล้วทำลายกองแห่งความมืดได้แล้วมารผู้ชั่วช้าเลวซามท่านจงรู้อย่างนี้ท่านถูกเรากำจัดแล้วติกตันิบาทจบ